จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเช่นพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งตัสสรุแล ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันธ์ราธิพานไปแล้วพระอริยสงฆ์สาวกแต่ละพระองค์ก็โผ่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็ตายไปจากพวกเราไป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 เป็นพระอาริยสงสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในใจนั้นเองที่เพื่อนันนี้จะไม่มีวันที่จะเสื่อมไม่มีวันที่จะหมดไปถึงแม้ร่างกายนี้ตายไปที่เพื่อนี้ก็ไม่ได้เสื่อมไป กับร่างกายเพราะที่เพื่งนี้อยู่ในใจนั่นเองผู้ใดที่ได้ที่เพื่งนี้แล้วก็จะต่อจากความทุกข์ไปตามลำดับจนไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานผู้ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแส ไปสู่พระนิพพานแสงสว่างแห่งธรรมอันนี้จะนำพาดวงจิตดวงใจไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการลำดับตามขั้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดกานพระอริยสงสาวกนี้ก็มีสี่ขั้นขั้นพระโสดาบัน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 ก็จะลอยเครื่ควา้างเหมือนคนที่ลอยอยู่ในน้ำถ้าเรือล่มเรือจมไปก็ต้องลอยคออยู่กลางทะเลถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องจมจมน้ำตายไปพอได้เห็นทางขั้นแรกนี้แล้วก็จะรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อำทำทำขั้นที่สูงขึ้นไป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 คือพระสสดาบันสำหรับผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสและได้ไหลไปตามกระแสนี้จนถึงขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีก็จะเหลือภพชาติอยู่เพียงภพเดียวถ้าไหลเข้าไปสู่พระอนาคามีได้ก็หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดในการมาพบได้ พรผู้ที่ได้บรรลุขั้นานาคามีนั้นได้ละกามตัญหากามาราคะได้อย่างสิ้นเชิงก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือในการเสพกามนั่นเองแล้วก็จากนั้นก็จะไหลขึ้นสู่ขัน้นพระอารหันต์ไปก็จะได้ไปถึงพระนิพพานในที่สุด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 พระพุทธพรธรรมพระสง์ภายในใจได้เลยเพราะเหมือนกับไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำนั่นเองถ้าเราอยากจะข้ามฟากไม่มีสะพานข้ามเราว่ายน้าไม่เป็นเราก็ไม่สามารถที่จะข้ามได้เช่นรถยนต์นี้ต้องมีสะพานถึงจะข้ามฟากได้ฉันใดจิตของพุทธชนทั้งหลาย ที่อยากจะข้ามฟากของวัตฏสงสารคือวัฏวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏนี้จําเป็นจะต้องมีสะพานที่จะเชื่อมให้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าไปสู่โลกของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด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 พาให้ข้ามฟากไปได้เพราะถ้าไม่มีสะพานนี้แล้วสัตว์โลกก็จะไม่สามารถที่จะข้ามฟากไปได้ยกเว้นผู้ที่มีความสามารถอย่างาพระโพธิสัตว์ที่จะสามารถสร้างสะพานขึ้นมาได้ด้วยตนเองแล้วก็ข้ามฟากไปได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ผู้อื่นที่ไม่มีสะพาน ได้มาอาศัยสะพานของพระโพธิสัตว์ที่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้มาใช้กันถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราก็จะไม่สามารถที่จะข้ามฟากไปสู่พระนิพพานกันได้และต้องติดอยู่กับฟากนี้คือฟากแห่งการ เวียนว่ายตายเกิดฟากของสังสารวัฏดังนั้นการที่พูดว่าพระพุทธพระธานประสงค์ไม่ใช่ที่มีอยู่ภายนอกใจไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้ จ, จริงก็เพราะว่าพระพุทธประธานมระสงค์ที่อยู่ภายนอกใจก็อยู่ภายใต้กฎของตายรักคือจะต้องมีการเจริญมีการเสื่อมไป เซนตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสร่งและทรงประกาศพระธรรมคำสอนยุคนั้นก็เป็นยุคของความเจริญของพระพุทธของพระพุทธเจ้าแต่45ปีหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จดับขันธปบิลนิพานไปที่พึ่งในพระพุทธเจ้าก็หมดไปแต่ก็มีที่พึ่งมาทดแทนอยู่สองส่วน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 สมณะโกตมะไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์องค์ก่อนเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางไม่มีพระอริยสงสาพของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาคอยสั่งสอนแทนพระพุทธเจ้ามันก็แสดงว่าพระพุทธพระธรมพระสงฆ์ภายนอกใจในยุคนั้นได้หายไปหมดแล้วแต่ก็ มีการปรากฏกลับขึ้นมาเป็นยุคยุคแช่นยุคของสัมมาโกตะมะคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ได้ปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งแก่โลกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะเป็นที่พึ่งได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งถ้าเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์ไว้ก็ประมาณ5000ปี ที่เพิ่งนี้ก็จะหายไปหมดเช่นเดียวกันพวกเราที่มีโอกาสได้มาเจอสะพานได้มาเจอที่เพิ่งอันนี้เราจึงควรรีบเดินข้ามสะพานกันใช้สะพานนี้เชื่อมให้เราเข้าสู่ที่เพิ่งที่แท้จริงภายในใจของเราที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันจางหายไปจากใจของเรา แต่ถ้าเราไม่เดินข้ามสะพานอันนี้เราก็จะไม่ได้ที่พิ่งที่ถาวรเราก็ยังจะติดอยู่กับโลกของการเกิดแก่เจ็บตายติดอยู่ในสังสารวัฏนี้ต่อไปจนกว่าจะมีสะพานอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่เราว่าเราจะข้ามเราจะใช้สะพานนั้นหรือไม่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 มีความรักมีความชอบกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังสารวัตรนี้เรายังมีความรักความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสพุธพธะเรายังมีความรักความชอบในลาบยศสรรเสริญเรายังมีความรักความชอบในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้จนทําให้เรานี้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 เช่นลาบยศสรรเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายเช่นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราต้องการที่จะเดินข้ามสะพานนี้เราต้องไปตัวเปล่าๆไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆที่เราลักเราชอบนี้ติดไปกับเราได้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 ที่เรามีอยู่ในสังสารวัฏ น, นี้ถ้าเราอยากจะเดินข้ามสะพานเราก็ต้องทําเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำคือทรงพิจารณาเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังสารวัฏ น, นี้ทุกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวร จะดีขนาดไหนจะวิเศษขนาดไหนจะให้ความสุขกับเรามากน้อยขนาดไหนก็ตามเขาก็ต้องมีวันที่จะสิ้นสุดลงในวันที่จะต้องพัดผ้าจากกันอยู่ดีพระองค์ทรงเห็นความแก่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นความตายและเห็นสมณักนักบวชจึงทําให้พระองค์สามารถเลือก ทางเดินได้ว่าจะต้องเดินเป็นทางของนักบวชเพราะทางของนักบวชนี่เป็นทางที่จะเดินข้ามสะพานไปนั่นเองทางของคนแก่คนเจ็บคนตายก็จะติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด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 ในสิ่งต่างๆและจะทำให้เรานี้ไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆก็จะทำให้เรานี้สามารถปล่อยวางละสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบได้เพื่อที่เราจะได้เดินข้ามสะพานไปสู่ภากที่ไม่มีความทุกข์ฟากที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว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 แล้วตอนนั้นเราจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเรามาสร้างที่พึ่งภายในใจกันที่พึ่งภายในใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดสามารถที่จะป้องกันภัยต่างๆทุกต่างๆไม่ให้มาเหยียบย่มทําลายจิตใจของพวกเราได้ตลอดเวลาเพราะที่พึ่งภายในใจนี้ จะอยู่คู่กับใจไปตลอดเวลาไม่มีวันที่จะจากเราไปไม่ว่าเราจะอยู่ในพบไหนชาติไหนก็ตามถ้าเรายังไม่สามารถข้ามข้ามฟ้าของการเงียนว่ายตายเกิดได้ธรรมะนี่แหละที่จะเป็นสาระเป็นที่พึ่งของพวกเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่ง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 ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นนักบวดหรือเป็นขลรวาสสามารถสร้างที่พึ่งภายในใจนี้ให้เกิดขึ้นได้ทุกคนถ้ามีความเพียรพยายามถ้ามีการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนอริยบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นก็มีทุกประเภทมีทั้งหญิงมีทั้งชาย มีทั้งข้รหักามีทั้งวันปรพชิตมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทุกลู่มีทุกชนิดเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขามีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีความเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองสถานภาพของการเป็นบั ร, รบชิตหรือเป็นข้ารหัการนี้มันก็มีความแตกต่างกัน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 บำเพนได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าได้มาเป็นนักบวชแล้วไม่มาบําเพ็ญก็สู้ขคารวะที่ถึงแม้ว่าจะมีภารกิจบ้างแต่ได้บําเพ็ญอย่างต่อเนื่องไม่ได้ดังนั้นอย่าไปดูที่เพศที่วัยว่าเป็นคารหัดหรือเป็นบัณฑิตว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย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 ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงได้อย่างแน่นอนดังนั้นอย่าไปทำหนึง่งอย่าไปกังวลถึงสถานภาพของตนเองขอให้คำหนึง่งให้กังวลถึงความเพียรของตนว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ามีน้อยก็ควรที่จะเพิ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าตัดได้ก็ควรจะตัดมันไป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 ยันก็ได้บรรลุธรรมกันเช่นพระปัญจวัคคีทั้งห้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่ครั้งก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันกันหมดเลยแต่บางท่านนี้ก็ไม่ได้บรรลุถึงท่านสูงสุดเช่นพระอานนนพระอานุ์นี้ก็ได้บรรลุขั้นพระเสอดาบันแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นเพราะต้องติดมีภารกิจที่จะต้องคอย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 แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จ ด, ดับขันธาพระนิพพานไปแล้วพ่านนก็เป็นอิสระมีเวลาว่างเต็มที่สามารถบำเพ็ญเพียรได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับจึงทำให้ท่านสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในสามเดือนนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มีบุญมีกรรม มีอุปสรรคมีภาระอะไรต่างๆที่ไม่เท่ากันถ้าเรามีอุปสรรคมีภาระถ้าเราสามารถตัดนั่นได้มันก็จะช่วยทำให้การปฏิบัติของเรานี้ให้ได้ผลเร็วขึ้นเราก็ควรจะพิจารณาดู ว, ว่าควรจะตัดได้หรือควรจะตัดไม่ได้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 สิ่งที่เราจะได้รับจากการลองเพนจากการปฏิบัติว่าสิ่งไหนสาคัญกับกันมีน้ำหนักมากกว่ากันนละการที่เราจะตัดหรือปล่อยภาระต่างๆนี้ก็ไม่ได้เป็นการตัดแบบไม่มีเยื่อใยหรือจะไม่พบกันอีกต่อไปก็ไม่ใช่เป็นการตัดชื่อระยะเวลาที่เราต้องไป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 เช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงเสด็จออกจากพระราชวังพระองค์ก็ทรงตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดตัดพระราชสมบัติตัดพระราชบิดาพระแมเหสีพระราชโอรสพระมารดาเลี้ยงพระญาตทั้งหลายพระองค์ก็ทรงตัดแบบไม่ไม่มีความเหมือนกับไม่มีความเยื่อใยแต่ความจริงควา ม, วามเยื่อใยมีอยู่ แต่ความจําเป็นบังคับให้ต้องจัดเพื่อจะได้ไปเปิกวิเวเพื่อที่จะได้ไปบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่นั่นเองต้องการบำเพ็ญเท่านั้นที่จะทําให้หลุดพ้นได้ดังที่มีสุภาษิตที่พูดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ได้หลุดพ้นจะด้วยอะไรเทรานั้นต้องเป็นความเพียรความเพียรที่จะ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 เกิดขึ้นจากการมีความเพียรปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติท า, า, านศีลภาวนานี่คือเรื่องของการที่เราที่จะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปละทุกสิ่งทุกอย่างไปชั่วคราวโดยให้พิจารณาว่าไม่ช้าจะเร็วเราก็ต้องมีการพัดทาจากกัน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 กบมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างไม่มีวันจบสิ้นนี่คือการจากไปจากไปเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองสําหรับตพตเกเจ้าก็เพียงหกปีหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนับนิมนต์กลับไปโปรดพระญาตต่างๆแล้วก็สามารถนําพระญาตมาบวชกันนําพระราชโอรสมาบวชกันอ แล้ได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมกันตามลำดับแล้วก็มีพระพุทธมารดาเวียงก็มาขออนุญาตบวชเพื่อปฏิบัติเพื่อหลุดพน้นก็เลยได้เป็นพระภิกษุณีรูปแรกของพระพุทธศาสนาขึ้นมาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สลาไม่ได้ไปปีกเว่เยไปอยู่ตามลำพังบุคคลเหล่านี้จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้อย่างไร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 ครบาจารย์ต่างๆท่านก็กลับมาอยู่ใกล้บ้านเพราะความผูกพันที่มีต่อญาติพี่น้องพอมตอนเองเสร็จภาร ก, กิจของตอนแล้วก็มาทำหน้าที่เผยแพร่สั่งสอนพระําคํคำสอนที่เป็นเหมือนสะพานให้พาผู้ที่มีศรัทธาได้เดินข้ามไปสู่พระนิพพานกัน นี่คือเรื่องของการสร้างสารณะที่พึ่งทางใจที่เป็นสารณะที่แท้จริงพวกเราทุกคนต้องบำเพ็ญกันต้องปฏิบัติกันต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปกันถ้าเราอยากจะได้สาารณะนี้อย่างรวดเร็วที่สุดนะเพราะถ้าเรายังมีกิจต่างๆทําให้เรา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 แทนที่จะเป็นเจ็วันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ก็อาจจะเป็นสิบปียี่สิบปีก็สุดท้ายแต่การเดินทางของแต่ละบุคคลของแต่ละผู้ปฏิบัติจะเดินมากเดินน้อยก็จะถึงช้าถึงเร็วผู้ที่เดินมากเดินไปข้างหน้ามากกว่าเดินถอยหลัง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 ถ้ายังมีอัตตาตัวตนก็อยากจะให้ตัวตนนี้เป็นตัวตนที่มีคนยกย่องนับถือเชิดชูคารมบูชาจะไม่ชอบให้ ต, ตัวตนนี้ถูกเหยียบย่ำด้วยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนผู้ปฏิบัติว่าต้องทำใจให้เป็นปฏิปีให้ได้ทำใจให้เป็นผ้าคเีว อย่าไปถือตัวถือตนว่าเหยียบไม่ได้ถือให้ถือว่าเป็นปัตภีเป็นพื้นดินที่ใครก็เหยียบย่ําได้ใครจะอุจจาระปัสวะใส่ก็ย่อมทําได้เห็นมไหมสุนัขเวลามันอยากเจ้าอุจจาระมันปัสวะมันไปอุจจาระปัสละที่ไหนมันก็ไปอุจจาระปัสละบนปัตภีบนพื้นดินนี้เองถ้าพื้นดินมันบอกไม่ได้นี่จะทํำยังไง มันก็ต้องแผ่นดินไหวเท่านั้นมันถึงจะถึงจะใจของเราก็เป็นอย่างนั้นพอใครด่าหน่อยใครว่าหน่อยก็เป็นแผ่นดินไหวขึ้นมาเลยแต่ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ต้องยกย่องเชิดชูเพียงอย่างเดียวต้องชมต้องสรรเสริญเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพอใครมาว่ามาตาหนิหน่อยเท่านั้นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเลย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 มันก็เป็นขอให้เราคิดว่าเป็นเสียงลมเสียงนกเสียงกาไปครับเราแต่เราต้องมองที่เหตุที่ผลของเราที่เราออกปฏิบัติเพื่ออะไรเราออกปฏิบัติเพื่อมริพานเราไม่ได้ออกไปปฏิบัติตามที่เขาตาําหนิติเตียนเขาไม่รู้เรื่องของเราอย่งเขาจะว่าอย่างไรก็อย่าไปเสียเวลาเหมือนกับไปอธิบาย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 ความสำคัญความจำเป็นของการบำเพ็ญเขาก็จะพูดไปตามภาษาของเขาเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนเด็กไรเดียงสาเด็กไรปัญญาเด็กไรปัญญามันจะพูดอะไรก็เราก็ไม่ถือสามันเพราะเรารู้ว่ามันมันไรเดียงสานั่นเองจำได้นนบุคคลที่ไม่รู้ทมไม่รู้คุณค่าของการบำเพ็ญของการปฏิบัติ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 โชคเากับพระพุทธเจ้านี่ใครบ้าหรือใครไม่บ้ากันเนี่ยเรายังบ้าราบยศสารเสวนสุกกันอยู่ไม่ใช่นรือท้าพุทธเจ้าท่านบ้าราบยศสารเสวสุกหรือเปล่าท่านบ้าสามีบ้าภรรยาบ้าบุตรที่ดาหรือเปล่านะใครบ้ากันนี่ยดังนั้นอย่าไปฟังคนบ้าพูดนให้ฟังคนไม่บ้าพูดให้ฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า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 ขอให้ท่านได้ฟังแล้วนำออกไปปฏิบัติต่อเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พ อ, พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถาม ผ่านทางไมโครโฟนได้ขอเรียนโอกาสค่ะขอถามค่ะคือมันเป็นความ ฝ, ฝันว่าไปเติ่นขึ้นมาที่หนึ่งที่นั่ น, นวุ่นวายด้วยทุกๆคนเนี่ยหาอยู่หากินจะรู้สึกว่าเดือดร้อนมากลำคาญอึอดอดัดเป็นทุกข์มาก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 ไปกับมันเท่านั้นเองดังนั้นเวลาเจอนิมิตต่างๆนี่ขอให้เราโยนทิ้งไปได้เลยยกเว้นถ้าเป็นอสุภะนิมิตมรณ า, า, น, า น, น, นิมิตอย่างนี้เห็นเรานอนตายอย่างนี้เห็นเรากายเป็นซากศพเขาเอาศพเราไปเผาในเตาจนกะทั่งกายเป็นขี้เถ้าที้ฐานไปอย่างนั้นเอามาใช้ได้เอามาพิจารณาต่อเอามาดูซ้ำแล้วซ้ำอกเหมือนกับ เอาหนังเก่าเนี่ยมาใชา้ยอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งจําได้หมดว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรบ้างและต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปไปอาศัยดูหนังเพราะมันอยู่ในความจําของเราแล้วเวลาเห็นร่างกายนวที่ไรก็เห็นว่ามันเป็นสร้างสมเห็นว่ามันเป็นที่เท่าที้ฐานไปนถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไปกลัวความตายได้อย่างไรเพราะก็มันรู้ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละ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 ต่อไปข้อสองค่ะคือพ่อาจาเวลานั่งเดินจมกลมเสร็จปุ๊บกลับไปนั่งสมาธิเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนกับเบาสบายแต่พอนั่งไปใส้สักพักหนึ่งมันเหมือนบกดบอลลงน้ำอะค่ะมันก็จะโดนมันก็จะโดนดีดแล้วก็เด้งออกมามันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ต่อนเรื่องไม่ทราบว่าจะทำไงเพอะกกิเลสมันดันใจเราออกไง แล้วสติเราดึงมันเข้าไปพอฝ่ายไหนฝ่ยมีกำลังอ่อนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะดันออกมาพอสติเราอ่อนเราเราไม่เราไม่เรมจเริญอย่างต่อเนื่องกิเลสนั้นที่ดันอยู่มันก็จะดันใจออกมามันก็จะทำให้เวลานั่งเรารู้สึกอึดอนั่งไม่ได้แต่ถ้ามีสติที่มีกำลังมากกว่ามันก็จะทำให้นั่งเฉยๆได้นั่งสงบได้นั่งสบายได้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 พอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่งนี้เดี๋ยวนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันจะอึดอัดและในที่สดมันก็ต้องลุกขึ้นไปพอลุกขึ้นไปมันได้ผ่อนคลายกำกำลังของกิเลสมันก็เบาลงเพราะมันได้เหมือนกับน้ําเดือดถ้าเรามีรูให้มันให้น้ำที่มันเดือดมีรูระบายออกมาความดันในน้ํามันในในกามันก็จะไม่แรงแต่ถ้าปิด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 เมื่อก่อนสู้ไม่ได้สู้มันไม่ได้หรือสติล้มตายไปพอมันเบาสติก็มีกําลังพอที่จะกลับคืนมาได้ก็จะร่นสติต่อแล้วก็กลับไปนั่งได้ใหม่นั่งได้สักครั้นึงพอสติสู้กิเลสไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไประดับกันไปจนกว่าสติจะมีกําลังมากกว่าจนสา ม, มารถดันมันเข้าไปสู่ความสงบความว่างได้ไปยจอไปสู่ความนิ่งได้มันก็ มันก็มันก็ไม่ต้องใช้กาลังดันมันเข้าไปการกิเลสมันก็ยังจะมีอยู่ทุกครั้งเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้ตายไปกับการเจริญสติการเจริญสมาธิถ้าอยากจะให้กิเลสนี้มันหมดฤทธิหมดเดช ก, ก็ต้องใช้ปัญญาเวลาออกมาแล้วก็พิจารณาใจรักพิจารณาสุภาพิจารณาปฏิคูล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 ถ้าเราต้องการอยู่ใกล้พ่อเราก็อยู่บ้านถือว่าถ้าเรากลัวคํำเขาลหานินทากลัวเขาว่าเราต้องทําตามที่เขาพูดเราก็ต้องอยู่บ้านแต่ถ้าเราไม่สนใจคิดว่าคําพูดของเขาเป็นคําพูดที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเออเราอยู่หรือเราไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรพ่อก็มีคนดูแลอยู่เราก็ไม่ได้ทําอะไร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 อยู่ก็เท่านั้นไม่อยู่ก็เท่านั้นก็ไปดีกว่าแต่ถ้าอยู่ใกล้แล้วเป็นประโยชน์ช่วยดูแลพ่อเพราะไม่มีใครดูแลอย่างนี้ก็ต้องอยู่ได้แต่ถ้าอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับไม่ได้อยู่ก็ไปไม่ดีกว่าแล้วไปจะได้ธรรมะได้ไปบาเพ็ญได้ไปฟังเทศฟังธรรมได้ไปปฏิบัติธรรม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 อาหารที่มนุษย์กินอยู่ทุกวันนี้คือเรากินเนื้อเขาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่เราต้องเป็นนีชชีวิตเขาพบชาติต่อไปเราก็จะถูกเขากินเช่นกันเป็นอย่างนั้นไหมคะเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราไปเกิดเป็นอะไรถ้าเราเกิดไปเป็นเป็ดเป็นไก่เขาก็กินเราแน่ๆนะ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีใครเากินมนุษย์นอกจากไปอยู่ไปอยู่ว่าพวกชาวป่าชาวเขาที่เขามีธรรมเนียมกินเนื้อมนุษย์อันนี้ก็ต้องถูกเขากินกินเนื้อกินเดียวเวลาตายไปเราจะไปรู้หรืว่าใครจะเอาร่างกายนี้เราไปทําอะไรเอร่างกายเราใครจะไปกินเราไปทําอะไรมันก็ร่างกายมันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องเหล่านี้ให้กังวลว่าเราอยากไปสร้างเวรสร้างกรรมก็แล้วกัน เราอย่าไปฆ่าแตการกินเนื้อสัตว์นีโดยที่เนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนี่ไม่ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมไม่เป็นบาปเช่นไก่มันตายเราก็มีทางเลือกว่าจะไปฟังมันไปเผามันหรือไปย่างมันเป็นแนวคิดงจริงผสมักคำถามต่อไปจากคุณตะวัน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 ค ำ, ำาาาาาาถามต่อไปจากคุณเทพบ้านค่ายผมเลี้ยงปลาวไว้กินเองก่อนนำมาทำอาหารผมก็ต้องฆ่ามันผมบาปหรือเปล่าครับ <c oughs> อ้าวก็ฆ่ามันก็บาปนะไงตาญาติตาตาเวลามัีการฆ่าสัตว์ตชีวิตนี้เป็นบาปไม่ควรกระทำ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 ก็ถ้าใจมันส่งไปอดีตหรือไปอนาคตก็ควรจะดึงให้มันกลับมาที่ปัจจุบันก็ใช้สตินี่แหละใช้การบริกรรมพุทโธไปแล้วใจที่มันไปควยคว้าหาอดีตหรืออนาคตมันก็จะต้องกลับมาที่ปัจจุบันอดีตก็เป็นความฝันอนาคตก็เป็นความเพอ้อความจริงก็คือปัจจุบันเท่านั้นเองเห็นให้อยู่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้จะเป็นที่ตั้งของความสุข ข้อที่สี่เหมือนจิตมันเล่นละครได้มีสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตก็รู้สึกว่าเป็นอะไรก็ไม่ทราบมีรูปร่างมีเพศรู้สึกเขาจะอ่านใจเราได้มีมายาผมเพิกไปเสียอย่างนี้เกิดขึ้นได้ไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นภายในจิตก็อย่าไปสนใจมันขอให้พิจารณาว่ามันเป็นตายรับไปหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันไม่มีสาระแกนสารไม่มีคุณมีค่ากับการบำเพ็ญมรรคผลนิพพานถ้าเราไปยุ่งกับมันแล้วเราก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆขอ้อที่5ผมอยากทราบว่าถ้าดูหนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติสำหรับวังที่ถือศีลแปสมควรไหมครับถ้าเป็นการศึกษาก็ไม่ไม่เสียหายอะไรเพราะเป็นเหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาพระพุทธประวัติก็เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ใช้ได้ฟังทาดูวิดีโอเกี่ยวกับธรรมะดูหนังเกี่ยวกับองคุลิมานนี้ก็ยังพอจะดูได้คำถามต่อไปจากคุณกัญญาขอโอกาสถามขยายต่อเรื่องอุบายสู้เวทนาเกี่ยวกับการใช้สติประฐานเข้าพิจารณาว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรข้อแรกของโยมท่องพุโทโธ แต่พอภาวนาเริ่มมาให้มองพุโทโธหรือหากว่าตอนนั้นจิตทิ้งพุโทโธแล้วกำลังดูลมหายใจก็ให้ละเสียแล้วหันมาพิจารณาเวทนาใช่หรือไม่คะไม่ใช่เหรอเวลาภาวนาอะไรก็ให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าอยู่กับลมก็อยู่กับลมไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบ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 กิแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาหายเป็นอนัตตาเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาหายไม่ได้ถ้าเราเห็นอ น, นิจจังทุกข์ขาอนัตตาไหนเห็นในทุกขเวทนาเราก็จะสักแต่ว่ารู้คือจะไม่อยากให้เขาหายเพราะรู้ว่าสั่งเขาไม่ได้แล้วก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็เขาหายเองเขาจะหายก็หายเขาจะตั้งอยู่ก็ปล่อยเขาตั้งอยู่ไป แล้วเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาปล่อยเขาเหมือนกับคนมาด่าเราแล้วก็นั่งเฉยๆปล่อยให้เขาด่าไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองทําตัวให้เราเป็นเหมือนต้นเสาเนี่ให้ได้แล้วเราเป็นต้นเสาได้ใครไปนั่งด่าเสาสักพักเดี๋ยวมันก็เบื่อเอ ง, <c oughs> <c oughs> งนะสบาใจไหมนั่นแหละก็อีกวิธีหนึ่งวิธีต่อการปฏิบัติทุก ข, ขเวทนาี่คือสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันหายสั่งเขาไม่ได้ทําได้ก็คือทนไป วิธีทนไปก็จะใช้การบริกรรมช่วยก็ได้แต่นี่มันเป็นช่วยเพื่อให้ให้รักษาปัญญาคือไม่ให้ใจไปต่อต้านไปอยากให้มันหายไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีเพราะว่าต่อไปเราจะไม่สะทกสะท้านต่อความเจ็บปวดของร่างกายเพราะใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายคาถามต่อไปจากมีผู้ฝากถาม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 จะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวจิตถึงจะรวมเข้าไปสู่ความสงบได้ถ้าลอกไปรับรู้เรื่องต่างๆนั้นก็ถือว่าจิตเพลิสติแล้วไม่มีสติแล้วเมื่อไม่มีสติก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ยิ้นต้องพยายามถึงจิตให้อยู่เกาะติดอยู่กับการภาวนาเพียงอย่างเดียวคําถามต่อไปจากคุณภาวนา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 ก็ได้ขณะที่ฟังก็ได้ถ้าตั้งจิตตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจทุกขั้นตอนแล้วก็สามารถใช้ปัญญานั้นตัดกิเลสได้ละสักกายทิฐิได้ก็บรรลุได้เขาถามต่อว่าและในขณะที่บรรลุธรรมนั้นจิตของท่านทั้งสองต้องลงถึงอัปปนาสมาธิใช่หรือไม่คะ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 อานน์ก็ติดอยู่กับพระพุทธเจ้าถึงยี่สิบกว่าปีถึงแม่บวชก็ไม่ได้ปฏิบัตินก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แต่พอพระพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธ์ปัดนิพานไปแล้วก็มีเวลาไปบำเพ็ญก็บรรลุได้ยั้นแต่ละคนภาวะของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าได้โสดาบันแล้วรับรองได้ว่าไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากอย่างพระชาติที่สุดก็เจ็ดชาติน ต้องไปถึงวันนีผ่านแต่ถ้ายังถ้ายังไม่ถึงก็ไม่เสียหายอะไรคือมันจะต้องไปแน่ๆเพียงแต่จะช้าหรือเร็วอาจจะมีเรื่องพันธะมีหน้าที่การงานมีบุคคลเช่นอาจจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สองคนพ่อแม่ไม่มีใครเลี้ยงนี้เราจะไปทิ้งท่านได้อย่างไรนอกจากเอาไปบวชกับเรา ไปบวชแล้วก็ขออาศัยอาหารบิณฑบาตเอามาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างนี้ก็บวชได้นี่มันแต่ละคนมันมีพันธกรณีต่างกันมันจึงทําให้การปฏิบัติของแต่ละคนนี่ช้าเร็วต่างกันแต่ที่แน่นอนก็คือถ้าได้เข้าได้เป็นโสดาบัดแล้วก็เข้าสู่กระแสแล้วถ้าเป็นการขับรถเดินทางก็ได้ขึ้นทางด่วนแล้วเออ นี่จะขับเร็วขับช้าเท่านั้นเองก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่ น, นอนไม่หลงทางนะอบทคําถามพอดีถ้าอยากจะถามหนึ่งไหมบนนี้ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอผมขอเนถามคำถามนิดนึงไดครับคือทีอ่ครูที่เก้าท่านสั่งมาสังคารทั้งหลายไม่เทียงสังขารทั้งหลายเป็นถุกแล้วก็ทำทั้งหลายเป็นอันรงครับคือตัวสังขารและธรรมนี่คืออะไรครับแล้เป็นสิ่งเดียวหรือเปล่า ก็มีการถกเถียงกันบางคนก็สังขารว่าเป็นร่างกายบางคนก็เชื่อว่าสังขารเป็นความคิดกลุงมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับนิยามของคําว่าสังขารว่าหมายถึงอะไรแต่บางท่านก็บอกว่าเป็นร่างกายบางท่านก็บอกว่าเป็นความคิดกลุงมแต่มันถ้ว่าตามนิยามมันก็ถูกทั้งสองเนี่ยแล้วส่วนทรรก็คือสิ่งที่เป็นทั้งสังขารและไม่ใช่เป็นสังขาร สังขารก็เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาด้วร่างกายมีประกอบขึ้นด้วยธาตุสิ่น้ำเินกก็เป็นสังขารส่วนธรรมนี่ท่านบอ ม, มันเป็นสิ่งที่ดินน้ำลมใส่นี้ไม่ได้ไม่ได้ผสมหรืแต่งอะไรกับใครไม่ได้รวมก็เป็นอ น, าาานัตตาเหมือนกันดช่มเดินด่นจะเป็นอะไรเป็นตัวตวนหรืลาน้ำเป็นตัวตวนหร้อเปอันนี้ก็เลยคำว่าธรร ทำก็คือสิ่งที่ปุนแต้พวดสังขารในร่างกายนี้มันเป็นของปุนแต่งของมีส่วนผสมของดินน้ําลงไปแต่ดินนี้มันไม่จะผสมกับอะไรดินก็เป็นดินแท้ๆน้ําก็เป็นน้ําแท้ๆพวกนี้เราเรียกว่าทำคือถ้าจะบอกว่าเป็นนางกับลูกแค่นี้ได้ไหมครับอาารนางกับลูกมันก็อีกเรื่องเลงนางก็หมายถึงสัญญาสังวิน สัญญาสังขารยิงยางเนื้อธนาอาการของจิตสประการนี้เราเรียกว่านามคำส่วนรูปนี้เรหมายถึงร่างกายแเวลาต้องรู้ความหมายของคำคำแต่และคาว่ามันมีความหมายอย่างไรเวลาก็พูดรูปกับนามก็พูดถึงจีวิจิตใจของเรานาประกอบด้วยรูปกับนามรูปก็คือร่างกายนามก็คือความรู้สึกนึกคิดก็ยังอยู่ภายใต้กฎของไซรัสอยู่ทุกอย่างมาไซรัส มีควานนะิพานนั้นที่อยู่เหนือกดใจแล้วครับจิที่ดุจทนนี้ไม่อยู่ภารภายใต้กดทั้งใจแล้วเพราะไม่ไม่เสียวไม่เปลี่ยนไม่ใจอะไรนะพ่อไงพ่ะฉันกลัวไง